บทภาชนีติการนิสักขีญปารจิตีห mm ้าี่สิเครือหัดที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติขอจีวรนอกสมัยต้องอบัตินิสักขีญาปารจิตีเครหัดที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจขอจีวรนอกสมัยต้องอบัตินิสักขีญาปารจิตีเครหัดที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติขอจีวรนอกสมัยต้องอบัตินิสักขีญาปารจิตีทุกกะทุกกฏเครหัดที่เป็นญาติ ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติขอจีวรนอกสมัยต้องอาบัตรทุกกฎเครืงหัดที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจขอจีวรนอกสมัยต้องอาบัติทุกกฎเครื่องหัที่เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติขอจีวรนอกสมัยไม่ต้องอาบัตร